ต้งทำกันเพื <và co> ่อให้เป so, like <ivan> ็นส่วนประกอบกับการกระทาของพวกเราเหมือนเกลบก็ปุ่งยาหม้อใหญ่ การที่จะมียาตัวเดียวก <c oughs> ็มีหลายตัวส่วนประกอบเข้าไปตัวยาที่นำยาอื่นเพื่อเป็นคุณภาพก็มียาหัวอ้อยดำถ้าเป็นยาต้มถ้าขาดยาหัวอ้อยดำยาก็ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนประกอบวันนึองจะหมายถงพุทธการต้นๆการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีไม่ไ ม, มาก <c oughs> <c oughs> เพียงแต่ขี่ทางผิดทางถูกกรรมเนิการโยกเป็นทางผิด ไปไม่ได้ตันอัฏฐิมถาโยกก็ผิดสุดตรงให้ถูกที่ถูกทางจึงมีมัชฌิมาปฏิปทาในความพอดีแล้วก็แสดงถึงอนัตตาลักมาสูตร สุดท้ายก็อริสัตย์สี่เกิดประหารขึ้นมาโดยทีะพระพองได้เดินทางมาแบบนี้ก็สอนแบบนี้จากการพิสูจน์ของตัวเองกำลัง บ, บอกคนอื่นถ้าจะเป็นการปฏิบัติที่เราจะพอ ประมวลลงคือมิสติเป็นตัวนำหนนอยยางม้อใหญ่สติเป็นตัวนำเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปาราลบความเพียร น, นั้นก็ไม่ส่วนประกอบไม่ความเพียรแสดงออกก้า แต่เรามันหลงกล้าประเชิญกับความหลงรู้สึกตัวเข้าไปถึงความรู้สึกตัวเป็นตัวนอ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แปลวาผิดเอาถูกกับความผิดความถูกก็เช่อได้ก็เสีย <c oughs> แต่ว่ามีความเพียรมีสติ สำเร็จแล้วในความผิดถึงขวมรู้สึกตัวแล้วเหตุที่มันรู้สึกตัวได้พอมันผิดถ้าความผิดเป็นความผิดไม่รู้สึกตัวก็ไม่ถึงไม่สำเร็จรักษาโรคไม่หายเองมีส่วนประกอบ มีฉันทะพอใจในการกระทําของเราหลายๆอย่างมีกิเอาใจใส่อยู่เสมอบางทีพระองค์สมัยวมเพนโคที่ทมนั้นอาจจะหลายอย่างอาจจะมีความลักไปด้วยรักมนุษย์ เห็นมนุษย์ทั้งหลายเกิดเจ็บเจบตายรับผิดชอบเป็นส่วนคุณดังเรียกว่าเมตตาที่คุณยิ่ง ใ, ใหญ่ไม่ทอถทอนพวกเราในก็มีส่วนประกอบทั้งนี้พอสมควรมีพ่อมีแม่มีพี่น้องบทภัญญาสามีที่เป็น จ่าตตะกิยาประโยชน์จญาติเราก็มีส่วนหนังที่เป็นของโลกเราก็มีส่วนหนังที่รับผิดชอบก็เลยไม่ท่อดเถ้าไม่ทอถอยเอาตัวเองเป็นตัวประกอบเมื่อศึกษาเรื่องนี้เข้าไปไม่ทอถอยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่หวั่นไหวให้ต่าที่คนยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่ดับนทางได้ในให้เกิดความเพียรความฉันทะความพอใจความาใจใส่ไม่ใช่เราคนเดียวนี่เป็นส่วนประกอบเหมือนอยาหม้อใหญ่อาจจะรักษาโรคได้ความหลงหมดไปความโกรธหมดไปความทุกข์หมดไปได้ไม่ใช่จิติร่นล้วน ต่่งเดียวมีส่วนประกอบเพื่อไม่ให้หลุดให้หล่นออกจากสติได้ง่ายมีความเพียรมีความพอใจมีเอาใจใส่ไม่วางใจไปทางอื่นทิ้ง้ง่วงๆทำาะไรต้องติดใส่ใจตามจึงสำเร็จได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นการ ให้มีส่วนประกอบอย่าหลดหล่นได้ง่ายเวลาเราทำความดีเวลาเราละความชั่วอย่าเห็นความดีเจอตัวเองอย่าเห็นความชั่วเจอตัวเองตัดสินใจผลพันธ์พันเล่นมีความยับยั้งชั่งใจให้ดีเพื่อจะหนักแน่นให้มากขึ้น มั้นเด็กตั้งไข่หัดหัดนั่งหัดเติดไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้ก็ยอมเลยเติอนไม่ได้ก็ล้มลงก็ยอมเลยไม่ยอมลุกอันนี้ก็ไม่มีความเข้มแข็งนั่งไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็มีธรรมชาติอยู่ก็เรามองรอบๆอบ เวลาล้มก็ลุกขึ้นได้เวลาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้มองแบบนี้เวลาหลงก็ไม่หลงได้อย่าหมดปัญญาอย่าหมดตัวเพราะความทุกข์อย่าหมดน่วงหมดตัวเพราะความหลงมันมีสิ่งที่เป็นคู่อยู่นี่คือ <c oughs> สิ่งที่ทำให้เรา หนักแน่นมันคงในการทำงานทำการทุกอย่างอย่าให้เปราะบางเกินไปในการทำความดีละความชั่วันก็มีส่วนประกอบอต่อมาพราะองค์โพูดเรื่อง น, อน้นเรื่องนี้เอาอื่นมาประกอบโอยเป็นเรื่องใหญ่ ว่าไตรปิแปดหมื0 0สี่พันเรื่องเห็นคนอื่นผิดเห็นคนอื่นถูกมาประกอบในการสั่งสอนยิ่งแน่นหนาในความในความดีมากขึ้นเห็นคนทำผิดก็เอามาประกอบเห็นคนทำถูกก็มาประกอบ ถ้าเกิดกผิดหายไปให้ควบความถูกเจริญขึ้นเชลื่อน เ, นเปล่งเกียรมานุป <c oughs> ยืนไหวทิศทั้งหกไหทิศทั้งหกมีอะไรจำไม่ได้้าจะ ทิศเหนือทิศใต้เต่าตกของดอกเั้งตกแข็งเหนือเต่าตกแข็งใต้เต่าตกแข็งเต่ดอกแข็งเหนือเต่ดอกแข็งใต้ทั้งหกทิศนี่มานพเปลี่ยนไหวอยู่ทุกเจ้าไปเห็นแล้วก็ถามเธอทาอะไรมานพมานพก็บอกว่าเราไหวทิศทําไมจึงไหว้ทิศบิดาสั่งเอาไว้ ก่อนที่บิดาจะตายไปบิดาได้สั่งเด็ดขาดให้ไหว้ทิศทั้งหกนาตอนกลับมาไหวทิศเตยียนไหวทิศ ต, ตื่นขึ้นมาไหวทิศอยู่ที่เจ้าไปเจอเข้าก็เลยถามเียเหนือทิศใต้ตถอนตกถนหลอกเสียงใต้เสียงเหนือพระองก็เสนอเข้าไยว่าเราก็มีทิศเหมือนกัน ทิศทางหของเราคือทีศเบื้องหน้ามีดามานดาอย่าทอดทิ้งให้ขลุบอยู่เสมอเกี่ยวข้องอยู่เสมอทิศเบื้องบนสำนักคีพามชินธรรมไม่ขลรบทิศเบื้องล่างผู้เกี่ยวข้องกับเราคนที่น้อยกว่าเรา คนใช่ในบ้านคนผู้ด้วยว่าเราเคารพเข า, เขาช่วยเหลือเขาทิดเ่ิงขวาอาจารย์ก็ต้องเคารพเราต้องเรียนต่อพ่อกอตามครูมีครูบาอาจารย์ทุกคนอย่าประมาททิฏเบิงทราคือมมตดปากครบกว่ามมตดต้องระมัดระวังมมตดแท่มมตดเทียมเป็นอย่างไร ดูดีๆที่เบื้องหลังคือปัญญาบุตรปัญญาสามีนี่ก็สำคัญต้องเคารพมาโนก็เห็นโอ้ยถูกต้องแล้วมารดาบิดาของเราจะบอกเรื่องนี้กันเหมือนถึงประสานกับทิษทั้งหกโลกตัวเราไม่ใช่เราคนเดียว การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเอามาประยุกต์กับการปฏิบัติแต่นี้พ่อแม่ก็อยู่กับเราเพื่อนเมตตอยู่กับเราครูบาอาจารย์อยู่กับเราโลกศิทธิโลกหาอยู่กับเราพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราแล้วเราก็มีเสียด้วยมีพ่อมีแม่กันทุกคนมีเพื่อนกันทุกคนมีครูบาอาจารย์กันทุกคนมีสํนานักขีพามมีฉินสมาธิปัญญาอยู่รอบตัวเรา ไอ้ใจวันหนักแท้นนี่เต่ว่าทิศทั้งหกมานอบก็นั้งก็โลกกการไหว้ทิศฐานหน้าไปทางทิศด้านฐาหน้าทางทีนี่เลยมาเคารพเกี่ยวข้องกับเราทั้งหกอย่างเนี่ยเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนไทยมาเลเซียเวียดนาม เมรุเราธรรมาอะไรรอกประเทศตัวเพื่อนประเทศมิตรประเทศ้าทะเลาะกันก็ลำบากจึงเป็นประเทศอาเซียนสามัคคีกันตกลงกันสันิึกสัญญาต่อกั น, กนกแต่น้อยเราก็ต้องมีเรื่องนี้ไปจาใจต่อวิดามันดาครัวย า, า์เพื่อนมิตรสหาย พวกระทำประสงค์เราเช่าอยู่คนเดียวเราทําดีคนอื่นก็สบายด้วยเราทําเครื่อคนก็เดือดล้อนเราก็ควรรับผิดชอบไม่ใช่กายใจอย่างเดียวแต่ยังออกบ้างเวลาเราบาลกลบความเพียรไม่ใช่ดุนดุนเดาเดมันจะเข้มแข็งมาก อย่าว่ยาเวียเดียวดายเรานั่งอยู่นี่พ่อแม่นั่งอยู่กับเราพระพุพพทธธรามพระสองฆ์อยู่กับเราครูบาาจารย์อยู่กับเราหลงตาไปสอนทรรที่รถเครื่องบินใหญ่ไอ้พ่นขนาดใหญ่มองไปทางหน้าทางหลังมีแต่คนอื่นไม่มีคน รู้จักกันเลยนี่แต่คนละเพศละวัยคนละชาติชาตนาเราก็เอ้ยเราเดินขึ้นว่าจะไปห้องน้ำมองไปข้างหลังมองข้างหน้าไม่มีใครรู้จักกันเลยนะนึกว่าเรามาคนเดียวไม่ใช่เรามากับพระพุะทธพระสงฆ์พาเรามา ครูอาจารย์พารมาหลวงพ่อเทียนพารมาพ่อแม่พารมาไม่ใช่เราคนเดียวจากนี้มันก็ไม่ใช่จะเดียวดายอะไร <c oughs> <c oughs> บาทีพระพุเจ้ายัางสอนพระสงฆ์เวลาพวกเธออยู่ในป่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกลัวขึ้นมาเกิดจีิตตัญหาขึ้นมาให้เธอนึกถึง พระพุทธปร ะ, ระสงค์จะพ่อหน้าอยู่กับท่านแล้วในคนความดีของพระพุทธปร ะ, ระสงค์อย่าว่าเวียา ก, กลัวตายลากลัวขึ้นมาอย่าเนื้ว่าตัวคนเดียวทิดอางนี้สร้างสิบล้อ ม, มาในใจในกายอย่างนี้มันจะเข้มแข็งมากในการใช้ชีวิตของเรา ไม่มีอะไรที่น่ากลัวในโลกนี่ไม่มีอะไรที่ยอมแพ้ง่ายในโลกนี้ภาษาหลายกีดตันหาที่มันเกิดขึ้นกับเราความหลงเกิดขึ้นกับเราความโกรธเกิดขึ้นกับเรามันไม่มีภาษาอะไรตอนไหวทำไมาเรานี่ยิ่งใหญ่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัตรธรรมพระสงฆ์ ในคนงามความดีมีสินสมาธิปัญญามีสติไม่เมตตากรนา่าไม่เป็นศัตรูกับใครเจอช่างเจอเสือก็ไม่เป็นศัตรูกับช่างกับเสือเจองูก็เป็นศัตรูกับโงูหรือว่าเราเป็นมิตรกันตามใจทําใจทำใ จ, ใจไม่หวั่นไหวต่อเราจะมีอะไรก็เป็นศัตรูกันเมืเาา่อแสดงออก มันเมื่อวานนี่เดินไปฉันเจ้าทิศลาอาสนะศาล า, าเอากลอกเดินโชว์นั่งโชว์อยู่ไม่ไผ่เห็นพวกเราจะโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติเดินถ่ายกล้องเอาจะลอกก็โชว์อยู่มันรู้จะว่าเราไม่เป็นศัตรูกรับเขา ตอนที่เขาจะกลัวเราเขาก็เลยเป็นมิตรกับเราได้เพราะท่าทางเอาเรามันไม่เป็นศัตรูกับใครลองเจอเสือเจอช้างลองดูลองตาเคยไปเจอูงลิงคระหุดตัวใหญ่มันดําท่าจะลุมเราเราก็สแสดงถึงว่าเป็นมิตรกันไม่เป็นศัตรูกับมันแต่เรามองหน้ามันก็จิกเขี้ยวใส่ ถ้าเราเฉยๆมันก็เฉยๆจบตากันแบบเป็นมมตดเป็นไม่เป็นศัตรูกับกันแล้วกันมันก็อยู่ด้วยกันเรามานั่งปรากฏมันก็มานั่งล้อมดูเราแบบเป็นเพื่อนกันเราเข้าไปในมองเราก็นั่งอยู่แล้วก็นอนหลับขึ้นมาไม่รู้มันหายไปไหน สงด่งใหญ่อยู่ถ้ำเขาอยอยู่เขาใหญ่โดงใหญ่กลางโดงชมพรนี่ก็อะไรก็ตามอย่ามงงองเป็นบวกเป็นลบไม่สติเข้าไปลหลายๆอย่างไม่หวั่นไหวนอนแค่นะ้ำฝนตกต้องคืนเราก็ไม่เดือดร้อน เบียแเราก็ไม่เดือดร้อนเรามองเราอะไรหลายอย่างมองเป็นกบเป็นเขียดก็ได้มองเป็นป้เมีอะไรก็ได้นอนหลับก้าหนึ่งไปดั้งอยู่แขวก้วนพะเยาเดินทุดดงไป <c oughs> อบรมพระใจจริง สมัทฐานจันข้าวมือเดียวนอนป่าชาตเป็นวัดก <c oughs> ็ป่าชาคนแถวนั่นก็มีแถวจังหวัดพระเจ้ามันก้วนพระเจ้ามันเป็นทุงน่งนาอู่ข้าวอูน่น้ํามีแต่ทุง่งเดินผ่านไปหาป่าชาเขาเขาก็บอกอยู่กลางทุง่งก็เดินไปไมีนิดหน่อย ในสาราหลังเดียวม่น้ำซึมด้วยในช่วงเดือนพฤกี ก, กาเขายังเกี่ยเข้ามาเสร็จดินก็ยังไม่แห้งดี <c oughs> ก็มีเตาเอาศพมีสาราหลังนงึ่งพวกเราทั้งเก็ดสิบกว่าลูกก็ไปไปนั่งบนดินมาได้พอมันเปียกต้องอยู่ในสารา ว, วัานั้นเขาก็มเาเผาศพเวลาเขาเหย่ศพมาเผาเราก็เป็นหัวหน้าก็บอกให้พระทั้งหลายไปนั่งอยู่รอบรอบรอบบริเวณหันหน้าเข้าป่าเขา้าไม่ต้องสนใจอะไรหันหลังให้ทางศาลาเขาเขาแหมาแต่ก็นั่งเฉยไม่ดูไม่สนใจบอกพระทั้งหลายว่า แล้วก็มาเผาศพตามประเพณีของเขาพอเพาศพเสร็จชาวบ้านก็กลับหมดเหลือแต่ชพรเลอทีห้าคนเอาไม้ไผ่มาเสียบศพออกมามาเอาจอบสับศพแหลกแล้วก็เข้าของภัยเท่านั่ง ก็ไม่อยากนั่งดูอยากจะให้เรียบร้อยเข้าก่องไฟเผาใหม่อีกแล้วก็กลับบ้านพอเขากลับหมดเราก็ไปนั่งที่ศาลาจังเหม็นข่าวเหม็นข่าวสุกแล้ก็ไม่ไกลกับศาลาเราเดินไปยยงเป็นชิ้นเนื้ออยู่ก็ก็อยู่ที่นั่นจำเป็นน้องนอนที่นั่น เราก็ไม่หวันไหวอะไร <c oughs> แต่ตดีเตรมวัดตอนเย็นตอนเช้ายันได้กลินศกไปเป็นธบาดกลมามาชั้นเที่ยงก็ยังมีกลิ่นศกเอาสิเป็นยังไงไม่หวันไหวนะเพราะเราสมทานทู้ตรงขวัตไม่มีอะไรเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากสัจจะ อนะมันก็เป็นอย่างนี <c> ้ <oughs> อะไรก็จะสุดสุดได้ง่ายไม่ใช่อยู่นี่อยู่ได้อยู่นั่นอยู่ไม่ได้ <c oughs> ที่ลําบากเห้นั่นสะดวกกว่านี้ตัวโตลําบากอาหารโโา ก, าก็อดตัวจั๊กจั่กที่อยอะก็ลําบากเยนอะน่นดีกว่าขอสีตังค์ดีกว่าเ <c oughs> จ<ะ> <c oughs> ล้วอร์มาที่นี่ก็จนจน ภาพธ a ก a r ก็ไม่มีนะนี่พระโลภหนึ่งมาจากสายกุลกมาอยู่นี่จอมัญชาด้วยกันออกบรรสารีบกลับเลยผมกลาว่าเขาเสียเวลาเจวลาอะไรแม่ตัวเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ที่ตนนผมจอมัญชาในสามเดือนได้ไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นบาทอันนี้ไม่มีเงินสักแปเลยเ <laughs> อออะไรให้ แล้วเบียบบอกให้อาจารย์โตุงอาจารย์โนดพระ ส, สงที่นี่อาจารย์สิงห์เราออกพรรษาแล้วเวลาเขาวางท่อกับถิ่นมีเงิน น, นิดนิดหน่อยแบ่งให้พระหมดเลยอย่าเอาไว้เป็นค่ารถค่าเรือกลับบ้านเขาคนเราพันสองพันหมดใช่จีบีเพียบเหมือนอะไรก็มีปัญหาบอตรตาแต่เอายากเอาง่ายเป็นการกระทำความดีเนี่ยไม่ได้เดือดขาด อ๋อหลายหลายอย่างแกวันไหวง่ายจนเกินไปเดินจงกลมมาเหนื่อยก็ยาวันไหว <c oughs> นั่งรอดมาหนาวก็ยาวันไหวถ้าว่าร้อนนักถ้าว่าหนาวนักถ้าว่าหิวนักถ้าว่าเหนื่อยนักไม่ทําการงานและะน้วสัญญาณเรียกว่าเป็นกนเกียดติค่าจะเอาอันนั้นมาต่อรองหัวก้าววเนี่ย ยากลำบากไม่ใช่เราจะพูดถึงความยากลำบากแล้เพระสิรธะสมัยบันเป็นคนที่ทำอยู่ลำบากกว่าพวกเราเนาะพราะนั้นอย่าข้อถอยมันหลงก็ยิ้มมันลูกก็ยิ่มหัวโล่ตะพุ่งเผือกอย่ามันไว้นะจุกก็ลู้มันทุกข์ก็ลู้ บงค น, นมีมีปัญญาเกิดขึ้นก็อย่าหลงปัญญาจะหลงความรู้ของตนเวลามันจะหลงก็คือเวลาเห็นรูปตามเห็นรูปตามเนี่ยมันจะหลงเห็นรูปธรรมนามทางมักจะหลงเห็นสุขเห็นทุกข์มักจะหลงเกิดความรู้ขึ้นมาตกแต่งความรู้ไม่เคยรู้มันมาลูกไม่เคยสุกมันมาสุข ไม่เคยรู้จักบุญรู้จักบุญไม่เคยรู้จักบาปรู้จักบาปละบุลละบาปได้ทำ บ, บุญได้ตรงนี้มันจะลีใจสุขใจเมือ่อเ้าอย่าหลงบางทีมันเพลินไปกับความรู้ลำดับลำนำเรียกว่าเรียกว่าอะไร <c oughs> คิดเรอเรียกว่าป่ถมมชานอะไรกันนั่งฝุแตกฉานในธรรมตึกตองตึกตองมันตึกมันตองมันคิดทะลุทะหลวงทั้งหมดเลยมันจะเป็นผู้ลู้ไปลืมความเพียนไปนั่งลู้เดินลู้ตลอดเวล เลื่อนก็เป็นจียาเฉยไม่รู้สึกอะไรมีแต่ความรู้ที่ได้จากยานวิปัจนาญามันวิปัจนาญาเกิดขึ้นเนี่ยทําให้หลงโฉกโกฉกลูก่ก็รู้อะไรไปหมดเลย อ, อย่าหลงตรงไนอย่าลืมความเพียรอย่าลืมสติอย่ามั่วใหญขาดไปได้คือสติอย่าหั่วใหญ่ขาดไม่คื อ, อยาหงอไอรา ต้องเป็นส่วนนำอยู่สมอถ้ามันมีขนาดนี้เข้าไปไม่ออกลธิ์ถ้าขาดสติไม่มีลิ์ลธิ์คือมีสติเกี่ยวข้องกับใดสำเริจชนะทั้งหมดเลยลทธิทความสุข ก, ก็รู้ความทุกข์ก็รู้ความรู้ก็รู้เนี่ยิ์เนี่ยนำไป อย่าไปรู้เป็นุดหมายปลายทางอย่าไปสุขเป็นุดหมายปลายทางลืมมาได้คือความรู้สึกตัวในการทำความเพียรนะมีกันทุกคนเขีนกันทุกคนอย่าอย่าเสื่อสากับเรื่องเขียที่มันเกิดขึ้นอย่าไปเสียอศ้าต่อความทุกข์อย่าไปเสืยอศ้าต่อความโกลง ความรู้ควมีใจเฉยใจศึกษามันทั้งนั้นแหละให้เห็นให้เห็นให้เห็นการเห็นแจ้งกในความสุขหเห็นแจ้งในความทุกข์เห็นแจ้งอะไรต่างๆนี่แหละเรียกว่าปัญญาญาณญานนี่มันขนออกไปแต่ก่อนมันอยู่กับสุขกับทุกข์ตอนนี้ไปเห็นสุขเห็นทุกข์มันออกมาสักหน่อยมันเห็นอะไรต่างๆ เป็นตัวเป็นตนบ่อนี่มันเห็นจนแก่ก็เห็นควาเกิดเห็นความเจ็เห็นควาเจ็บเป็นความตายไม่ใช่เป็นผู้เกิดไม่ใช่เป็นผู้แจ่ไม่ใช่เป็นผู้ตายถ้าไม่เห็นหรืมันจะเป็นการเห็นนี่มันขนส่งขนส่งคือยานปัญญาญาณมีกันทุกคนว่าเราจะเคลื่อนย้ายออกไปไม่ยอมเคลื่อนย้าย ยอมอยู่กับมันมันก็มีอาสาทะสาทะอาสาธะมีรสชาติทั้งนั้นความสุขก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติที่เดชะหาก็มีรสชาติความโกรธก็มีรสชาติความรักก็มีรสชาติอย่าหลงต้องเห็นมันให้ดูมันให้เห็นมันจน คนทัญญาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามไม่เที่ยงก็รู้แล้วว่ามเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความมาใช่ตัวตนก็รู้แล้วความทุกข์ก็รู้แล้วความสุขก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วูแล้วจนพระพุทธเจ้าต้องชื่อให้ใหม่ว่าอนยาสิวัตโภคนันโยอนยาสิวัตโภคนันโยเป็นผู้แรกที่สุดที่ เข้าถึงธรรมเห็นดวงตาเห็นธรรมล้ะแต่ก่อนชื่อโกฏัญญาเฉยๆบอเป็นคนรู้ก่อนหมกุนเรียกว่าอัญญาสิอญญาสิรู้แล้วรู้แล้วดยเป็นพระสององค์แรกของลาตาไต <c oughs> นี่อย่าอย่าเปาะบางไม่หลายส่วนนะปฏิบัติธรรมนะ่ อยาอะไรมาต่อรองบางทีเราเอาแค่อ่านลมมาต่อรองที่เก็ดก็หยุดแค่นี้หรือขยันก็ทําแค่นี้หรือนิดหน่อยมันเป็นแบบไม่ได้ต้องมีส่วนประกอบเหมือนเขาปรุงยาตั้งแต่อ่านน้ำพึ่งที่เขามาจากประเทศยงงเยอรมันเขาส่งมาให้ อ่านโดเขาว่าส่วนประกอบนำเพ่งร้อยเปอร์เน้อยเปอร์เนตําำเพ่งอะไรอีกลหละมันก็ไม่มีแล้วแล้วมีส่วนประกอบอีกนิดหน่อยสติร้อยเปอร์เนได้ไหมไม่ใช่ว่าเอาความอยากพาทำความดีเอาขี้เกียจพาละความพาละการกระทํามาใช่เท่านั้นให้มากมากกว่านั้น 100% ยเปอร์คือสติ มัจจก็มีสติ100เปอร์เซ็นต์มันทุกข์ก็มีสติร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยอย่าเป็นต่อรองแน่นหน่อยให้อาหลงเป็นใหญ่ให้เหตุปัจจัยต่างๆเป็นใหญ่เฮ้ยุกปัจจโอารมมาปัจจุโญทิปติปัปจจโญไม่ใช่ มันมีเหตุตรงหลังแค่มันลงไปส ต, ติไปเกี่ยวข้องตตีตัวเฉลยตัวเฉลยให้ถึงสติได้ทุกกรณีในการปฏิบัติธรรมจะหยุดความเพียนก็มีสติพาหยุดจะประกอบความเพียนก็มีสติพาทบอย่าเอาความขยันถ้าเอาความขยันเนี่ย มันจะผิดหวังให้มีส่วนประกอบมีสติมันจะเหนือเหนือทุกอย่างควาว่าสติเนี่ยนะมันก็ไขให้เราดูอยู่เราก็ศึกษามันในกายในใจเราเนี่มันไม่ใช่เรื่องเดียวมันมีหลายอย่างที่มันแสดงออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม เป็นทาให้เราหลงจนนี่ไม่อยู่มาที่ไรก็รู้แล้วนี่เป็นกายเวลากายมันแสดงกายมันแสดงก็มีหลายฉากเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นโศกเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นหิวหลายอย่างเกิดกับกายมันแสดงถ้ามาแสดงออกมาจะให้ัเป็นใหญ่มานเปนาการ เป็นกายอย่าเอาการแสดงของกายเป็นตัวเป็นตนให้เห็นว่ากายสักว่ากายที่มันแสดงออกมาเป็นอาการของเขาเป็นเวทนาแล้วย่อคือเวทนาถ้าพูดถึงเวทนาก็คือเวทนาถ้าเป็นทุกเวทนาคือทุกเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาคือสุขเวทนามีอยู่ในกายนี้คือเป็นสุขเป็นทุกข์ว่ากายนี้ แบบ น, นี้เห็นแล้วเป็นจากแต่ว่ามาไม่ใช่ตัวตนเป็นจากว่ากายสาักรไม่ใช่ตัวตนสัตว์ปุกคนที่หน่อยมันเป็นอย่างนี้มาต่ชื่อว่ากายนี้งั่นเวทนาก็เหมือนกันอเวทนามันก็มีอยู่ไม่สุกไม่ทุกไม่อยู่ในกายนี้ในชีวิตเหล่านี้ ย่าให้เป็นเหยื่อในสุขในทุกข์อ่านความสุขคองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจิโ ย, อ, จจโยอารมณ์ปัจจิโยอารมณ์ลิขิชีวิตเราให้อารมณ์พาไปคมร้อยคมดีอารมณ์เป็นเหตุทําให้เราทำชั่วอารมณ์เป็นเหตุทําให้เราทำความดีไม่ใช่ แล้วว่าอารมณ์อารมณ์นาปัจจโจมันเป็นเหตุเราก็มีสตินั่นไม่ใช่ตัวตนจักแต่ ว, ว่าเวทนาไม่ใ ช, ใชสัตว์บุคคลตัวตน์ตเราเขากคยอยู่กับเรากคยอยู่คนอื่นใต้เองคนอื่นโกรธก็เรียกว่านั่นไม่ใช่เขาดอกนั่นอารมณ์อย่าไปอารมณ์ว่าเป็นเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปโกรธเขาโกรธเขาก็ไม่ถูกเพราะอารมณ์ มันมีตัวเมตตนไปด่าเขาไปดูหน้าเขาขี้เกียจเขาไม่ใช่มันเป็นอารมณ์เกิดกับเขาอื่นเคยกับเราก็เหมือนกันอารมณ์าปัจจิโอเห็นแล้วรู้แล้วอานก็คือเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาสอบนำ ห, หน้ามันแล้วเวทนาจีตที่มันคิดต้นคิดนี้ก็เหมือนกนันนะเนี่ยมันจะหลงแถวนี้หละก็เห็นเนี่ย มันก็ไม่รอบลีมาบอกเราตรงๆเหมือนมันบอกเราเราที่มันเป็นอะไรมันประกาศออกมาแต่เราก็เห็นอยู่ในเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นคนอื่นอ่างนี้เรียกว่ากรรมาฐานแท้ ถ้ามัเกิดการเห็นขึ้นมาเห็นทีแรกไม่รู้ไม่แจ้งเห็นไปเห็นไปก็แจ้งพอเราเห็นหน้ากันก็แจ้งอะที่ยินฉสีงพูดก็แจ้งพูดให้ฟังอ่ะเป็นเสียงใครจำได้มันตป็นสัญญา <c oughs> มันมีอยู่ในรูปในนามนี้ในขันธ์ห้า น้ตาเคยไปกราบแม่ใหญ่แม่ยายแม่ของแม่ร้อยกว่าปีตาก็ไม่เห็นเด้๋วพี่น้องบอกว่าเมืองอย่าไปบอกว่ามาจากไหนไปกราบดูให้แม่แม่ใหญ่เราก็ถามว่าเพืใดน่ะแม่กราบเจ้าอยู่นั่นน่ะเจ้าเห็นบ่า ก็มองมากม็มาเห็นหน้องตาคนแก ร, ร้อยก็่าปีไม่รู้มาโพ ร, รุ่แล้วผู้ใดล่ะมาตาสายมาจากบ้านหนองแก่ไอยายอยู่บ้านหนองเรืออำเภอหนองเรือแม่ผู้ใดห น, หน้องฟังเสียงคือคือขึานเขียนแท้จอมท่า ฟังเสียงคือคำเฉียนงานบอาระจักแล้วจะความผู้ใดเชิญแมลูกลกหลานเราแตเสียงว่ามันจาได้มันคาเขียนแล้วนะแล้วว่าจำว่าอะไรค่ะคนเ่าน้อย้ำมากใกล้ๆดผู้ใดเองมาข้าหัวข้าหัวไป เขาข้ามาจับไปหูนี่จับไปหูเห็นหูหยนหย่อนอ้ข้าเขียนตัวในโหลหลามาก็ไปเม่พียไหพี่นอนพียงไหนเ้าจับหูหูจับหูเอ๊ะทำไมเขาจับหูหรอแม่ใหญ่ว่าหูมันยาวเพราอันนี้แม่ใหญ่นะอันนี้ก็มีสัญญา มีหมายสัญญาไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลคอลเป็นจักรวาธาตุเป็นจัตรวาขันต่ายึดมั่นถือ่อนเจงแต่จำมาทำให้เป็นประโยชน์ให้รู้จักประโยชน์รู้จักโทษในใจเรานี้ในขันหน้านี่มีเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปนามเห็นขันธ์หน้าตามก็เป็นจริง อย่ายึดไว้ถือมัน่นอาจจะทิ้งมั่นถือมัน่นถ้าตัวย่ออุปทานขัดลังห้าเป็นตัวทุกเอวังเออเอนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกไม่ทุกได้ไหมรูปไม่ทุกได้ไหม เมื่อมีทุกข์ก็ต้องไม่ไม่ทุกข์คู่กันอยู่อยไปทุกข์เพขันธ์ลูกมันก็มีเหตุให้เกิดทุกข์ร้อนหนาวหิวปวดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นของเขาเจตนาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้สัญญาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้สังขารเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ วิญญาณเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ไดว้ว่าโดยย่แกกออกเป็นอย่างนี้มีจิงจีแนกเป็นอย่างนี้เนี่ยกุวญญาลู่พระเจ้าแสดงไปวิญญาลู้ตามไปตามไปติดติดติดตามไปทันเมือกับการศึกษาที่เราตามทัน นึกว่าันสอนเรื่องหนึ่งวันนี้จะมาต่ออีกเรื่องหนึ่งมันก็ตามมาตามมาตามมาตามมาบาทีวันรูปร่วงไว้ก่อนผู้ที่สอนมันก็มีส่วนประกอบพร้อมกันไปอาจารย์สอนเราก็รูปไปพร้อมมันก็มันก็เฉลยไปพร้อมรูปไปพร้อมเขียนก็ได้ทําก็ได้ <c oughs> เช่นกนศารศึกษา น้าก็สอนเด็กกับน้บาลสมัยก่อนแม่ไก่ออกไข่วันลาฟองไข่วันลาฟองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองตอบได้ไหมันไข่วันลาฟองหนึ่งวันจะได้จีฟองเป็นเพลงด้วยนะแม่ไก่ออกไข่วันลาฟองไข่วันลาฟองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองถามเด็กน้อยมันเคยตก ดึงมันได้ไข่หนังฟองหนึ่งวันได้ไข่หนังฟองตอบดูทีแม่ไก่เอาไข่มาเล่ฟองหนึ่งวันได้ไก่จีฟองมันก็ตอบว่าหนึ่งวันได้ไข่หนังฟองมันก็บอกแม่ไก่เอาไข่มาเล่ฟองสองวันได้ไข่จีฟองก็ชิดสองวันก็ได้สฟองมันสอนคั้นศิสระให้เด็กนะใช่ไหมก็สอนไปสอนไปสอนไปล้วมันติดตามอ่ะ ถ้าม่เงี่ยงหูฟังก็ไม่รู้เลยโกนทัญยาเงี่ยงหูฟังคุณเจ้าแสดงทรรมันก็ต้องรู้ตามไปเนะียบางทีขอไปนะหลวงพ่อเทียนพูดไปเราก็ฟังไปฟังไปเราก็ทําสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราก็เห็นในสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดสิ่งหนเราไม่เห็นนั่นก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิด ไม่ใช่หาคาตอบจากคอมพิวเรื่องนี้ต้องทำให้มันเห็นนั้นเราไปสอบม่ข้อชดปัญหาตั้งสิบยี่สิบข้อก็เขียนออกมาแจกออก่าถ้าข้อไดอ่านยังตอบไม่ได้จะเพิ่งไปตอบอ่านไปอ่านยี่สิบข้อถ้าไหนตอบได้ตอบไปเว้นหน้ากระดาษเอาไว้ประมาณกี่แถวกี่แถว เคหน้าไวไปตอบข้อมันตอบได้ก่อนยี่สิบข้อถ้าไปตอบข้อแรกตอบได้ตอบได้ก็ไปเขียนมันก็หมดเวลาก่อนกว่าไปเขียนจบหมดทั้งยี่สิบข้อก็หมดเวลาไปแล้วต้องตอบข้อที่มันตอบได้ก่อนตอบไปตอบไปข้อไหนตอบอะไรก็เวีนว่าไปต้องมือกระดาษพูดเจ็บมันจำให้จีบันทัดกีหน้าจีหน้าแล้วก็ทางานเรา ก็ต่อไปต่อไปต่อไปตอบไปต่อไ ป, อ, ไปอันที่มันตอบได้พอมาตอบไปหมดทั้งหมดยี่สิบข้ออ้าข้อนี้ง่ายทีเดียวมาตอบทีหลังได้นั้นแต่แขนไหลายเมื่อเราไปประกอบนี่ก็เหมือนกันบางทีการไหลาเกิดขึ้นกับเราจะหาคําตอบทําความเพยายามเอ๋บางก็มีด้วยประการฉะ น, น